มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาจะตุทวักนิพพานะและพนะปัญหาที่เก้าถามว่า คนทั้งหลายได้นิพพานด้วยกันสิ้นทุกคนมรือราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้านาคาเสนผู้เจริญด้วยปรีชาตกว่าคนทั้งหลายนี้ได้นิพพานด้วยกันสิ้นหรือประการใดพระนาคาเสนถวายพระพรว่าไม่ได้ด้วยกันทั้งสิ้น พระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ถามว่าเหตุไฉนจิงไม่ได้พระนาคเส์จิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระรา ช, มราชสมภารผู้ประเสริฐคนทั้งหลายเกิดมาจะได้พระนิพพานสิ้นด้วยกันหาไม่ได้สัมมาปฏิปันโนอภินญญยเยต่อเมื่อไรปรนิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติไปให้รู้ธรรมอันวิเศษ ได้ทมอันวิเศษดำริให้จิตจะใครรู้ธรรมวิเศษนั้นปหาตะเพธรรมเมประชะหันโตและเสียซึ่งธรรมอันลามกพาเวนโตยกจิตจำเริญซึ่งพาเวตัพรธรรมคือจำศีลภาวนาไปสัชิกโรนโตกระทําให้แจ้งซึ่งธรรมอันควรจะกระทําให้แจ้งนั้นคืออรหัตตะผลยญาณ ก็จะได้พระนิพพานด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีก็ทรงพระโสมนัสตรัสว่ากัลโลสิพระผู้เป็นเจ้ากล่าวนี้สมควรแล้วนิพพานะและพณปัญหาเป็นคำรบก้าวจบเท่านี้